ที่ทุกผู้คนเนี่ยไม่ปรารถนาสิ่งนั้นคือความทุกข์ความทุกข์นี้เราเป็นอันดับแรกอันดับต้นๆเลยนะของสิ่งที่ผู้คนไม่ปรารถนาจะเจอเจอแต่ทั้งๆ ท, ที่ผู้คนทั้งหลายนะอยากจะหนีความทุกข์แต่น้อยคนนะที่จะรู้จักนะ หรือเข้าใจความทุกข์ซึ่งมันก็แปลงนะมัถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันจะหนีทุกข์ได้อย่างไรความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชะตากรรมฟ้าดินหรือว่าการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมันมีเหตุมีปัจจัยทุกขกายเนี่ยนะเกิดจาก ความร้อนความหนาวความหิวเชื้อโรคความเจ็บป่วยสัตว์ร้ายมูพิษของมีคมสมัยนี้ก็รวมไปถึงเทคโนโลยีเยนะเช่นรถยนต์ไฟฟ้าสารพิษก็มีเยอะแยะไปหมดเลยมีคนเขาศึกษาวิจัยนะว่าอะไรที่ทำให้คนเราตายได้บ้าง กว่าสาเหตุการตายนคนเราจะมีไม่น้อยกว่าแปดพันอย่างนะไม่รู้เขารวบรวมยังไงสาเหตุแห่งการตายของคนเราเนี่มีไม่น้อยกว่าแปดพันอย่างนี่เฉพาะความตายนะไม่พูดถึงความทุกข์ความทุกข์ไม่ถึงตายนี่มันก็มีเหตุปัจจัยคงจะมากกว่า8ปดพัน ส่วนทุกใจเนี่ยนะจริงๆว่าไปแล้วมันก็มีแค่สองเท่า น, นั้น แ, แก่การหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์โดยว่าอารมณ์ฝ่ายลบอารมณ์ที่เป็นอกุศลแลวันที่สองคือหลงยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ อันนี้เรียกว่าสรุปรวมยอดนะความทุกข์ความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยปากกาแรกคือหลงหลงคิดหลงอารมณ์เมื่อหลงคิดหลงอารมณ์นะมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยความทุกข์ใจมันเกิดจากการที่มีอารมณ์รุมเราเช่นความโกรธความเกลียด ความวิต ก, กังวลความโศกความเศร้าความอิจฉาพยาบาทถ้าพวกนี้เนี่ยบ่อยครั้งมันเกิดขึ้นเมื่อเราคิดหรือนึกถึงอะไรบางอย่างเหตุการณ์ความสูญเสียการต่อว่าด่าทอที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็คิดไปล่วงหน้าในทางลบทางร้ายก็ทำให้เกิดความวิตกกังวล ถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์คิดเมื่อไหรก่ก็ทุกข์เมื่อ น, นั้นโกรธบ้างโศกเศร้าบ้างหมุดหงิดบ้างนี่พูดถึงส่วนใหญ่นะแต่คราวนี้ที่มันหลงคิดหลงก็ไปในะอารมณ์ได้ก็เพราะอะไรนะก็เพราะความไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวเมื่อไรก็ใจก็เผลอไปขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตเพื่อเอามาทิมแทนจิตใจตัวเองหรือปรุงแต่งเรื่องลบเรื่องร้ายที่มาทำให้เกิดความหน่ออกหนักใจเกิดความเครียดให้หลงคิดหลงอารมณ์พี่เพะ ไม่รู้ตัวอันนี้พูดแต่สรุปรวบยอดหลงอิกอย่างนคือหลงยึด ต, ติดถือมั่นยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่าเป็นเราเพีงของเราหลงแบบนี้เนะี่ยเพราะไม่รู้ความจริงนะทางาพระเราเรียอกอวิชชาพอไม่รู้ความจริง มันก็ไปหลงว่าทุกสิ่งมันเที่ยงเดยเพราะสิ่งที่เรารักของที่เราหวงและยิ่งยึดถอแหลมก็ยิ่งหวงเหมือนนั้นไอ้ทุกกายเนี่ยเข้าใจได้ไม่ยากแม้ว่าความทุกข์บางอย่างเราอาจจะยังสาเหตุหาสาเหตุไม่พบอย่างความเจ็บป่วยบางอย่างเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดจากอะไร ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วความทุกข์กายนี่มันไม่ยากที่จะมองเห็นสาเหตุแต่ความทุกข์ใจเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจเป็นว่าเป็นเพราะเจอคาต่อว่าดาทอเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวเจอความแก่ความเจ็บความป่วย ความสูญเสพัดพรากและสุดท้ายคือความตายผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเนี่ยเป็นเพราะเหตุการณ์เหล่านี้แหละที่ทําให้คนเราทุกข์เพราะนั้นเนี่ยเวลาอธิษฐานก็อธิษฐานว่าขออย่าได้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเลยเวลาจะขอพรก็ขอให้อย่าได้เจอสิ่งเหล่านี้ทาบุญ ก็ขอให้บุญได้ปกปักรักษาให้คล้าวคลาจากสิ่งเหล่านั้นแต่ที่จริงแล้วนี่ทั้งหมดที่พูดมามันยังไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะไม่ใช่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ใจสาเหตุแห่งความทุกข์ใจก็อย่างที่บอกนะในความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งๆในสิ่งต่างๆต่างหากเสียทรัพย์แต่ถ้าไม่ยึด มันในซั์มันก็ไม่เสียใจไม่มีความอาลัยนะเจ็บป่วยแต่ว่าไม่ได้ยึดว่ากายนี้เป็นเราไม่ได้หวังความสุขจากกายนี้ถึงเราป่วยมันก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยงานการล้มเหลวแต่ถ้าไม่ยึดว่างานนี้เป็นเราเป็นของเรา มันก็ล้มเหลวแต่งงานนะแต่ว่าใจก็ไม่ล้มเหลวสูญเสียแล้วก็ตามถ้าม่ยึดมันถือมันในสิ่งนั้นมันก็ไม่เสียสูนยะ์นั่นนะตรงที่ต่างหากนี่ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะที่ท่านใช้คาว่าสมุททยในอริสัตถเนี่ยที่ว่าด้วยทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเวลาพูดถึงสมุทัยนี่ท่านก็เน้น ถึงสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราเลยเพราะความหลงไม่ใช่แค่โลภโทสะแต่มันมีร่างเง่าอยู่ที่โมหะไอโมหานี่มันไม่ใช่แค่ความไม่รู้ตัวนะแต่ว่ามันรวมกันไม่รู้ความจริงซึ่งมีเรียกอยีกอย่างนึงว่าอวิชชา ตาแใดที่เรายังมีความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆอยู่แล้วในสิ่งใดก็ตามมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นแม้ว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งใหญ่เพียงใดมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองเพราะความมั่งคั่งมันก็ไม่เที่ยงเพราะความยิ่งใหญ่มันก็ไม่จีรัง หรื อ, อยิ่งอนนั้นคือเพราะอยากจะมั่งคั่งกว่านั้นอยากจะยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่ว่าพอไม่ได้ได้ไม่สมอยากมันก็ทุกข์นะแม้ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ยังไม่ได้เสียไปเลยแต่ว่าอยากได้เพิ่มครั้นไม่ได้เพิ่มมันก็ทุกข์เพราะอะไรนะเพราะว่า ไอความอยากมันก็นำไปสู่ความยึดอยากแล้วก็อยากได้สิ่งใดก็ยึดให้ได้สิ่งนั้นพอไม่ได้มันก็ทุกข์ทั้งๆที่ยังไม่ได้เสียเลยนะแค่ไม่ได้มันก็ทุกข์เพราะความยึดความอยากอันนี้ก็เป็นเรื่องความยึดติดถือมัน่นเพราะนี้ถ้าหากว่าอยากจะพ้นทุกข์ หรือว่าอย่างน้อยอยากจะให้ทุบเบาบางเนี่ยมันก็ต้องรู้จักถอนใจจากความหลงเน่ยเพราะวาความหลงหลงยึดหลงอยากหรือหลงยึดติดถือมัน่นในสิ่งทั้งปวงไม่ว่ารูปธรรมและนามธรรมแต่ว่าคนเราเนี่ยนะบุระตรชนเนี่ยมันจะให้วาง ความยึดความอยากในสิ่งทั้งปวงก็เป็นเรื่องยากนะจะให้รู้แจ้งในสัจธรรมจนไม่ยึดติดถือพันในสิ่งทั้งปวงก็เป็นเรื่องที่ดูไกลเราหลับปุถุชนแต่แม้ว่าเราจะไม่สามารถยังไม่สามารถ หลุดจากความหลงยึดติดถือมั่นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้เลยหรือทำได้ง่ายกว่าคือฝึกใจให้ไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่หลงเข้าไปในอารมณ์อยู่บ่อยๆจะไม่ให้หลงคิดหลงอารมณ์เลยก็ยาก ต่าบไดที่ังเป็นปุถุชนแต่างน้อยเนี่ยเมื่อมันหลงเข้าไปแล้วเนี่ยรู้จักถอนใจออกมาหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ก็ถอนใจออกมาได้ถอนได้เพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกตัวเพราะมีสติก็่กถ้ามันมีความรู้เนื้อรู้ ต, ตัวตั้งแต่แรกนะหรือมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่หลงเข้าไปแล้วล่ะ หลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์แต่ถึงแม้หลงเข้าไปแล้วก็ยังไม่สายที่จะกลับมารู้สึกตัวหรือว่ามีสติรู้ทันความคิดและความรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่หลงเข้าไปและนี่คือเหตผลที่เรานะควรจะมาจะเจริญสติมาทำความรู้สึกตัวกันเพื่อ ไม่ให้ความหลงมันค่อมงามใจให้ความหลงยึดหลงยึดติดถือม่านนี้มันก็เป็นความหลงยืนพื้นเพราะอาวิชชายังเหนียวแน่นอยู่แต่งน้อยเวลาหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ก็รู้จักถอนออกมาได้หรือให้ดีคือหรือ้ายดีกว่านั้นคือว่าให้มีความสึกตัวอยู่เสมอ ทำอะไรก็ทําด้วยความรู้เนรู้ตัวมันก็จะไม่หลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์อยู่บ่อยๆอย่างเช่นในขณะที่เรากําลังทําวัดสดเมื่อไหร่ที่เรากำลังฟังธรรมเนี่ยสังเกตร ห, รหรือว่าว่าใจเนี่ยมันหลงเข้าไปในความคิดเผลอคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมา นึกถึงงานก็เกิดความหนัก อ, อกหนักใจนึกถึงพ่อแม่ที่บ้านก็เกิดความห่วงนึกถึงลูกก็เกิดความกังวลแต่สักพักมันก็รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตมันก็หลุดจากความคิดและอารมเหล่านั้นได้หลุดแล้วไปอยู่ไหนก็กลับมากลับมาโยกการธรรมวสมนมน กลับมาหยการฟังธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมเราก็ฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยฝึกให้มีความรู้สึกตัวไม่ไม่ขยันหลงคิดหลงเข้าไปในความคิดไม่ขยันหลงเข้าไปในอารมณ์เราฝึกให้รู้สึกตัวบ่อยๆยฝึกให้รู้ทันความคิดและอารมณ์บ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยใหม่ เป็นนิสัยที่จะช่วยรักษาใจเราให้ปลอดภัยจากความทุกข์แม้จะไม่ใช่ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าก็จะทำให้ใหความโกรธความเกลียดความเครียดความวิตกกังวลหนักอกหนักใจมันมาครอม ง, งมจิตใจเราได้น้อยลงเรามีช่วงเวลาที่สงบเย็น เพราะมีความรู้เนืรู้ตัวอ น, นิี้สัยเนี่ยแบบนี้ต้องสร้างขึ้นมานะเวลาพูดถึงนิสัยเนี่ยนะมันก็มีอยู่สองแบบใหญ่ๆนะเป็นนิสัยในเชิงพฤติกรรมเช่นบางคนมีนิสัยนอนดึกบางคนมีนิสัยตื่นเช้าบางคนมีนิสัย ตื่นแล้วก็อยากจะนอนแช่อยู่สักพักค่อยลุกขึ้นมาบางคนก็มีนิสัยเวลาเข้าอนอนนี่ก็แช่อยู่นานบางคนก็มีนิสัยมาตรงเวลาแต่บางคนก็ชอบมาสายนี่ก็เป็นนิสัยในเชิงพฤติกรรมซึ่งส่วนนี้ก็เกิดจากความเคยชินทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็กลายเป็นนิสยัย ซึ่งบ่อยครั้งก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่มันก็ไม่สร้างปัญหามากเท่ากับนิสัยประเภทหนึ่งนะคือนิสัยทางอารมณ์หรือทางจิตใจเราเว่าจิตต์นิสัยเช่นบางคนก็มีนิสัยจู้จี้ขี้บน่นบางคนก็มีนิสัยเจ้าอารมณ์บางคนก็มีนิสัยชอบคิดเล็กคิดน้อย หรือว่าชอบคิดลบคิดร้ายบางคนก็มีนิสัยชอบสะสมข้าวของหรือว่านิสัยจุกจิกจู้จี้นะอันนี้พูดถึงนิสัยฝ่ายลบนะอนนิสัยแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเคยชินธรรมดานะมันเกิดจากความหลงเข้าไปในความคิดและอารมณ์ พอเราคล้อยตามอารมณ์บ่อยๆเช่นอารมณ์โทสะโลภะหรือว่าคล้อยตามความคิดที่ชอบคิดลบคิดร้ายพอเราคล้อยตามบ่อยๆหรือปล่อยใจไปตามอารมณ์และความคิดเหล่านั้นมันก็ทำให้เกิดเป็นนิสัยขึ้นมา ถ้าความเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันมีมันจะมีอำนาจเหนือเรามากเลยมันสามารถบงการให้เราทำอะไรไปตามหน้าของมันได้โดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวแลวถ้าเราปล่อยให้นิสัยแบบนี้ฝังตัวนานๆเข้านี่มันจะครองจิตครองใจเราจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้เลย โดยเพราะคนถ้าเกิดพอมีอายุมากเนี่ยหลายคนก็จู้จี้ขี้บ่นโดยไม่รู้ตัวชอบสะสมเข้าของโดยไม่รู้ตัวมันหักห้ามไม่ได้มันกลายเป็นการมันก็ย้ำคิดย้ำทำบางคนเจ้าอารมณ์ก็เจ้าอารมณ์ตะพึด ต, ตะพือหักห้ามใจไม่ได้ เพราะไม่คิดที่จะหักห้ามใจไม่คิดที่จะฝืนอารมณ์เหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วก็เลยคลองใจเรามันมีมันมีสัตว์หลายชนิดเลย น, นะที่ถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยปรสิตบางชนิดเนี่ยเข้าไปในสมองเนี่ยมันจะมีทฤสฎีแปลกแปลกนะ อย่างเช่นหนูเนี่ยหนูเนี่ยธรรมชาติมันกลัวแมวแต่ถ้าบังเอิญปรสิตบางชนิดเนี่เข้าไปในตัวมันจนเข้าไปถึงสมองเนี่ยปรสิตพวกนี้มันสมามารถบงการให้หนูเหล่านี้เนี่ยไม่กลัวแมวได้กลินแมวก็ไม่กลัวแามเดินเข้าหาด้วยเดินเข้าหาเพื่ออะไรเพื่อจะตกเป็นเหยื่อของแมว แมวก็จะกินหนูทำไมปรสิต ท, ทำอย่างนั้นนะเพราะว่าปรสิตทำก็เพราะว่ า, า, วามันต้องต้องเติบโตในกระเพาะของแมวมันไปเติบโตในกระเพาะของแมวแล้วมันก็ออกมาจากตัวแมวทางอุจจาระทางขี้หนูก็ไปกินขี้แมวปรสิตนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวหนูและประสิตมันก็บงการหนูให ไปเป็นเหยื่อของแมวเพื่อที่มันจะได้ไปเติบโตแพร่พันธ์ในกระเพาะของแมวแล้วออกมามันไม่ใช่แค่หนูอย่งเดียวนะมันมีมันมีสัตว์หลายชนิดเลยนะที่เหมือนกับถูกบงการโดยปรสิตเนี่ยให้ให้ไปเข้าหาอันตราย จนกระทั่งมนเหมือนกับว่าสาัตว์พวกนี้เหมือนกับซอมบี้คนเราก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ถูกปรสิตบงการให้ทำในสิ่งที่สร้างความทุกข์แก่ตัวเองนะแต่ว่ามันถูกถูกกินเลสนะถูกกิเลสนะถูกกิเลส ท, ท, ที่มันสร้างสมจนเป็นนิสัยและมาบงการให้เราทำในสิ่งที่เป็นอันตราย เป็นโทษกับตัวเองอย่างบางคนเนี่ยติดติดการพ น, นันหรือว่าติดช็อปปิ้งเนี่ยมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หมดมีเงินเท่าไหร่ก็หมดนะกับการการพ น, นันหมือ ก, การช็อปปิง้งหรือคนที่ติดยาเนี่ยเห็นชัดเลยอันนี้เรียกว่ามันถูกกิเลสนะหรือถูกมาเนี่ยเข้ามาครอบงำํำอันนี้สายหลายชนิดมันเป็นอย่างนั้นนะมันครอบงําใจเรา ทางวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เราถูกนิสยัยเหล่านี้ครอบงำบงการจิตใจก็คือไม่ยอมปล่อยใจไปตามอารมณ์รู้จักฝืนรู้จักหักห้ามใจรู้จักทักท้วงเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดความโลภเวลาใจมันชอบคิดลบคิดร้ายก็ทัดทานมันบ้างทักท้วงมันบ้าง ถ้าเราขยันมันทักท้วงทัดทานหักห้ามใจไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์และตามความคิดแบบนี้ไอ้ น, นิสัยที่จะเป็นโทษก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ยากแต่นอกจากการทักท้วงทัดทานหักห้ามใจแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ช่วยได้คือความรู้สึกตัวเดี๋ยวว่าถ้าเราสร้างความรู้สึกตัวจนเป็นนิสยัย ขยันสังเกตใจของตัวขยันรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่หมวแต่ปล่อยใจไปตามสิ่งเล้าสิ่งกระทบฝึกเนะจริญสติบ่อยๆฝึกสร้างความรู้สึกตัวบ่อยๆเวลาอยู่เวลาอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆก็พลิกนิ้วไปพลิกมือมา ครึ่งนิ้วครึง่งครึ่งนิ้วเพื่อเกิดความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ใช่แค่เดินไม่ใช่แค่ขยันเดินจนกลมและสร้างจังหวะเท่านั้นอันนั้นยิ่งทําก็ยิ่งดีนะแต่ว่าเราก็พยายามสร้างความรู้สึกตัวให้มันเป็นนิสัยนิสัยตื่นรู้นิสัยที่รู้ทันความคิดได้ไวรู้ทันอารมณ์ได้เร็วถ้าเราฝึกสติจนเป็นนิสัยฝึก ทำความสึกตัวจะเป็นนิสยัยไม่ว่าทำอะไรเนะตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ทำความสึกตัวแม้ว่ามันจะหลงเป็นส่วนใหญ่แต่พอทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆความสึกตัวก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น น, นะจนเป็นใหญ่เหนือความหลงนะโดยเพาะหลงคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์นี่ถ้าเรามีนนนิสัยใหม่แบบนี้เนี่ยนะ โอ้มันจะช่วยทัดทานไม่ให้นิสัยในทางลบทางร้ายหรือนิสัยที่ถูกครอบงาด้วยอวิชชาและกิเลสเนี่ยมันเข้ามาบงการจิตใจเราได้ไม่งั้นเนี่ยพอเราพอเราแก่ตัวลงไปนะสติเราเริ่มอ่อนไอ้นิสัยพวกนี้มันจะครอบงำใจเรามันจะเป็นสะพานให้อารมณ์ต่างๆเข้ามา บงการชีวิตจิตใจของเราจนเราไม่ต่างจากซอมบี้ไปเลยนะทำอะไรไม่รู้เนื้อรู้ตัวสะสมเข้าของโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจู้จีจ้ขี้บ่นอยู่นั่นแหละนะโวยวายตีโพยตีภายนะหรือว่ามองลบมองไรหรือบางคนก็เจ้าคิดเจ้าแค้นถอนใจออกจากอารมณ์พวกนี้ไม่ได้ใจจึงไม่ต้องรอให้แก่นะบางคน แวัยกลางคนหรือว่าอายุไม่มากก็ก็ถูกนิสัยพวกนี้ฝังลักลึกนะนิสยัยแบบนี้บางทีเขาก็เรียกว่าสันดานเนี่ยเครื่องมันมีแต่ทําความทุกขให้กับจิตใจของเราแล้วก็บางทีก็ทําให้ชีวิตเราย่ําแย่เลยตัวเองย่าแย่ไม่พอครอบครัวคนเราก็ย่าแย่อย่างคนที่ติดยาติดการพานันเนี่ยหรือว่าคนที่ชอบคิดลบคิดร้ายเนี่ยสร้างความปั่นป่วนเนี่ยคนในครอบครัว มากทีเดียวเอ้นเราต้องขยันนะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยตื่นรู้นิสัยที่รู้ทันความคิดและอารมณ์เผลอคิดไปก็รู้ทันเผลอกลับมาหรือจะเรียกว่าเป็นนิสัยที่กลับมารู้สึกตัวอยู่บ่อยๆก็ได้จะห้ามไม่ให้หลงเนี่ยมันยากนะแต่ว่าหลงแล้วกลับมากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวไวๆเนี่ยสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาแล้วชีวิตเราก็จะ ปลอดภัยได้มากขึ้น